นิมิตเป็นของหลอกลวงเมื่อลงนั่งสมาธิถ้าเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นนางฟ้าเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนั้นให้เราดูซะก่อนว่าจิตเป็นอย่างไรอย่าทิ้งหลักนี้จิตต้องสงบจึงเป็นอย่างนั้นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นอย่าอยากให้มันเกิดอย่าไม่อยากให้มันเกิด มันมาก็พิจารณาพิจารณาแล้วอย่าหลงให้นึกว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันถึงมันจะเป็นอยู่ก็อย่าเอาใจใส่มันเมื่อมันยังไม่หายตั้งจิตใหม่กำหนดลมหายใจมากๆสูรลมเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างน้อยสามครั้งก็ตัดได้ ตั้งกำหนดใหม่เรื่อยไปสิ่งเหล่านี้อย่าว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนิมิตคือของหลอกลวงให้เราชอบให้เรารักให้เรากลัวนิมิตเป็นของหลอกลวงใจเรามันไม่แน่นอนถ้าเห็นแล้วอย่าไปหมายมันไม่ใช่เราอย่าวิ่งตามนิมิตเห็นนิมิตให้ย้อนดูจิตเลยอย่าทิ้งหลักเดิม ถ้าทิ้งตรงนี้ไปวิ่งตามมันอาจพูดลืมตัวเองเป็นบ้าไปได้ไม่กลับมาพูดกับเราเพราะนี้จะคอกแล้วให้เชื่อตัวเองแน่นอนเห็นอะไรมาก็ตามถ้านิมิตเกิดขึ้นมาดูจิตตัวเองจิตต้องสงบมันจึงเป็นถ้าเป็นมาให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรา นิมิตนี้ให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญาให้โทษแก่คนไม่มีปัญญาทาความเพียนไปจนเราไม่ตื่นเต้นในนิมิตมันอยากเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่กลัวมันเชื่อใจได้อย่างนี้ไม่เป็นไรทีแรกเราตื่นของหน้าดูมันก็อยากดูความดีใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็หลงไม่อยากให้มันดีมันก็ดี ไม่รู้จะทาอย่างไรปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นทุกข์มันอยากดีใจก็ช่างมันให้เรารู้ความดีใจนั่นเองว่าความดีใจนี้ก็ผิดไม่แน่นอนเช่นกันแก้มันอย่างนี้อย่าไปแก้ว่าไม่อยากให้มันดีใจทำไมจึงดีใจนี่ผิดอยู่นะผิดอยู่กับของเหล่านี้ผิดอยู่ใกล้ๆไม่ได้ผิดอยู่ไกลหรอก อย่ากลัวนิมิตไม่ต้องกลัวเรื่องภาวนานี้พอพูดให้ฟังได้เพราะเคยทำมาไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่นะให้เอาไปพิจารณาเอาเองเอาพอสมควรแล้วนะจบเสียงอ่านหนังสือ กุญแจภาวน า, ราพระโพธิยานเถระหลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงเสียงอ่านโดยอริยะคุณจมรมผลดี